กาบคุนอาบีมูซีลกัมยาคุยันฟะฮุมอิมาลุฮฺดัมม س ََُّ ا ل ل َّ ه ا ل َِّ ي قَدْ خ َ ل ََ ف ي ِ ع ب ا و َ ا ل َْ س م ا ل َ ي ن َ ك َ ا ُِ و ن َ و َ خ ش ََ ل َ ه ُ ن َ ل ِ ك َ ل ْ ك َ ا ف ِ ر ُ و ن َِ س ْ م ا ل ل ه ِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ا ل ر َّ ح ِ ي م الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن ي ه د ه الله فلا مضل له و م ن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله اللهم ب ك أ ص ح ن ا و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإلا كان مشرع أعوذ ب ك ل م ا ت الله تما تمنشر ما من خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول الله م ي ن ع و ذ ب ك من الكسل وسوء الكبر أ ع و ذ ب ك من عذاب في النار وعذاب في القبر الله معافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في ب ص ر ي أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله و ب حمده عدد خلقه و ر ض ا نفسه و ز ن ة ع ر ش ه و م د ا د ة د م ا م ه ي ح ي ي يقيو ب ر ح م ت ك أ س ت غ ه อ ص ล ح ل ฮ ل เลี้ยงฉันทุกอย่า ن และจะ ف ิด ي ันไปสู่ م ิ้ ل ตาข้างหน ا ل งผ ا ل นก ا ร ا ل นที่ได้รับการเขี ب น ا ل กพ ب ะเจ้าผู้ ا ل งอัจฉร ل ยะ ل ละท ا งร ا ل ท ه ก ل ิ ا ง ه ا ل จะต้อ ل เผชิญและจะต้องเผชิญกับการกล พี่น้องที่ร่วมนมาสซุบอที่มัสยิดอันบริสโซน่าที่คอนแคร์และพี่น้องที่ติดตามรายการตับเซออัลกุรอานทางเฟซบุ๊กสวรรค์ในบ้านที่รับทั้งหลายครับทำโดยนี้แล้วลเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่หลับไปเมื่อคือนนี้แล้วก็ให้เราตื่นมาฉะนั้นการขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรา หลับไปแล้วตื่นมาเนี่ยไม่ใช่เราหลับเองตื่นเองอราเลาะจัดให้ทั้งหมดให้กล่าวว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอัลฮิอานะบาดามะอามาตนะไวไลฮินมุชูฮถ้าเราไม่กล่าวอะไรเลยเออพี่น้องเราก็ไม่ต่างอะไรกับแมวอาจจะ แ, แค่ที่พอขอบคุณเราเลาะนะที่เราได้เดินมานมาร ท, ที่มัสยิด นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺให้กับเราแบบนี่เป็นเน ย, ย้อมาตันยิ่งใหญ่แต่มานามารวมกันพิมพ์มิษใน hadis อิบนะฮับบานบอกว่าบาปบาปนะบาปเนะี่ยอยู่บนศีรษะของมนุษย์ที่เราทําทำทำเนี่ยอยู่บนศีรษะแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ไหลเวลาสุยูดเนี่ย รูเวลารู้กลัวเนี่ยบาปนี่มันจะร่วงอัลอละเฮียงกับชัดคนที่ไม่ใจรู้กลัวเลยเนี่ยบาปจะร่วงไหมไม่ร่วงฉะนั้นมุสลิมเนี่ยต้องนมาดให้ครบวันละห้าเวลาเราบอกลูกบอกภรรยาและอ่านคุรานเนี่ยทุกวันวันนะอย่างน้อยสองสามอายะห้าอายะของคนอ่านเนยุ่ยุดๆก็อ่านไปแต่ อ่านคุรานทุกวันสองนามาดยาคาสามให้บริจาคสม่ำเสมอสี่ให้วิครุลห้าให้ขอดูอาหกให้ติดต่อกับเครือญาของเราเองข้อที่เจ็ดเนี่ยเวลาเขาตำหนิมาด่ามาอะไรมาก็ให้อภัยแต่เมื่อเราเห็นความผิดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่นั่งดูเฉยๆนะต้องห้าม เห็นความไม่ดีเกิดขึ้นอัลลอฮฺสั่งในกะียรอ่านเชิญชวนการสู่ความดียังไม่พอต้องยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นต้องยับยั้งถ้าไม่ยับยั้งเนี่ยก็เพราะถ้าไม่ยับยั้งถึงเนี่ยอะไรแต่อะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะคนเนี่ยทำแต่ความดีแล้วก็วายานฮาวนาเนลมงกัดเนี่ยยับยั้งความชั่วนะทําไม่เป็นอ่ะ เมื่อกี้กลัวเพราะว่าท่านไม่ต้องไปกลัวนะครับอย่างน้อยตะโกเสียงทําอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นต้องยับยับย้งต้องห้ามนะครับแล้วรวมกันหลายๆคนเนี่ยคนชั่วมันก็ไม่กล้าทำไม่กล้าทำทำชั่วต้องยับยั้งความชั่วนะครับด้วยมือของเราถ้ามือไม่มีความสามารถให้ใช้ลิ้นถ้าลิ้นไม่มีความสามารถอีกก็ใช้หัวใจแอนตี้ขอร์ดูอาทําลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ขอบคุณเาล้อนะครับว ah ันนี้เรามามาานมาอ่านคูอานสุรสุดท้ายแล้วนะสุร้อวฟินะครับวันนี้เจอายะจบพอดีละฮัมดุลิลลออัลลอฮุลลจาลัลลัุมุลอันงมะลิตารกะบูมินห ว่าม <c oughs> <c oughs> <ال> ินหะตะกลَุอَลลอฮฺที่จาดาละคุ ل ัลَณ์งามลิทรคับุ่มนหะว่ามินหะตะกลุนอัลฮัมดุลิลลาฮฺคือนั่งเอาเอาสับไปนะแล้วปรท้องท้องสับด้วยนะ ยาลาละกุม um เนี่ยยาลาแปลว่าทรงทำอัลลอฮ์นี่ยทำละกุมสําหรับสูเจ้าอัลลอฮ์ทำให้นะไม่ให้มนุษย์เหนื่อยเอยมนุษย์ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเรื่องอะไรนะนู่นไปเหนื่อยเรื่องสแสวงหาอีหมา น, นู่นนะครับไปเรียนรู้เรื่องอิหมานี่มันเหนื่อยเรื่องนั่งอ่านคุณอ่านที่มัสยิสดนี่มันเหนื่อยเรื่องนี้ ไม่ต้องไปทําทําำลอทําแล้ ว, ลวอันนี้ทําอะไรครับอันนามแปลว่าสัตว์อัลลอฮ์สร้างสัตว์ให้กับสูเจ้าทั้งหลาย อ, อานามแปลว่าสัตว์อัลลอฮ์สร้างสัตว์นี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องพวงเองแต่เราผู้ศรัทธาต่อลอเนี่ยศรัทธาเลยเพาอัลลอฮ์สร้างสัตว์มาใช่ครับฉันเชื่อไม่ใช่เกิดเองครับ สัตว์บางชนิดลิตาทุกาบูโรกีบ้าแปลว่าเพื่อสูเจ้ารี่แปลว่าเพื่อเพื่อสูญเจ้าจะได้ขี่เพื่อสูญเจ้าจะได้ขี่นี่เล่าให้ฟังมีสัตว์มาเนี่ยประโยชน์คือเป้าหมายก็คือเพื่อให้ท่านทั้งหลายให้มนุษย์เนี่ะขี่มันแต่คนที่ขี่สัตว์แล้วก็จะกับรถมีเปล่าก็รู้ไงขี่มา เป็นร้อยๆตัวพันๆตัวจวมีลุงน้องขี่ตามแต่แต่มชุดยู่ในฟอร์มใหญ่แลแ้วถ้ากรบุตรเยอะยิงไ อ, อ้งานด ua เป็นหรือเปล่าในขี่สัตว์จะขึ้นขี่สัตว์ต้องอ่านด ua ให้เป็นนี่เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เหมือนเรามีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลานั่งปับเนี่ยต้องบิสมิลลาฮิต้องอ่านด ua าคาระลานาฮะดะวะมาคุณะละหูมุกลีนิน ว่าอินนาอิลลอุล บ, บินาละมุง ل ِ ب ُบุตบางคนไม่ได้อ่านก็เรียกของเองไม่อ่านนะแต่ผลบุญในการนั่งรถนี้มั้ยไม่มีผลบุญในการขี่สัตว์ก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นทำที่นบีสัง่งอัลฮัมดุลิลละลิตาตกาบุษสัตว์บางชนิดนี้นะสัหรับไว้ขี่วามินฮาและบางชนิดจับสัตว์นั้น ตะกูลูสูเจ้ากินกินบางชนิดสำหรับขี่บางชนิดสาหรับกินยันกินด้วยอย่างเรามีควายใช่ไหมจำนึกภาพสมัยอดีต น, นะนะแถวเที่ม่เป็นทุ่งนาทั้งหมดใช่ไหมมีควายขีย่ได้ไหมได้แล้วก็เอามาเชื่อทาอาหารได้ไหมได้ แต่ตรงนี้ต้องการจะ อ, อธิบายว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างสัตว์มาสี่คู่อ่าสี่คู่ในสุรที่ผ่านมาสุราอะนอามหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลองไปเช็คดูนะอัลลอฮ์สร้างสัตว์มาสี่คู่ให้กับมนุษย์อะไรบ้างครับสมานิยะตะอัจวจมินัดเน่แกสองตัวแพะสองตัวตัวผู้ตัวเมีย แล้วก็อูดสองตัวตัวผู้ตัวเมียแล้วก็วัวตัวผู้ตัวเมียสี่รายการอย่างละคู่แล้วละคู่แล้วคู่ล้วคู่อัลละฮฺอธิบายดังนั้นุณอ่านให้เราฟังดังนั้นมนุษย์มาต้องมาเหนื่อยมาต้องมาเหนื่อยสร้างสัตว์อัลละฮฺให้สัตว์มาสร้างสัตว์มาให้ให้มนุษย์ได้ขอบคุณอัลลอฮฺด้วยการขี่สัตว์หรือมันการนาเป็นอาหารเวลากินอาหารจะ ก, กินคนเดียว อย่างเันในช่วงวาระที่ทำกุลบานใช่ไหมกิน ค, คนเดียวได้ไหมไม่ได้นบีสั่งเลยเวลาเชือดแพะเชือดแกะเชือดวัวอะไรก็ตามแต่ต้องแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งสำหรับเอาไว้ในครอบครัวส่วนหนึ่งสำหรับคนยากคนจนอีกส่วนหนึ่งสำหรับพี่น้องเราอยู่บ้านกลเรือนเคียงกันแจกกันนี่อิสลามเป็นยั ง, ยงับ เรื่องกินคนเดียวไม่มีต้องกระจายต้องกระจายถ้าเก็บหมดเลยได้ั้ยไม่ได้แล้วก็ถ้าจ่ายหมดเลยได้ไหมได้เก็บหมดเลยไม่ได้กระจายหมดเลยก็ได้แต่นบีสั่งให้แบ่งออกเป็นสามส่วนอ่าอย่างมีเนื้ออยู่ร้อยกิโลสาสิบกิโลสาสิบห้ากิโลเอาบริจาคสามสิบห้ากิโลก็บริจาคสามสิบห้ากิโลก็เก็บวไว้ที่บ้านเรา ตาพงศตาแข้งนี่นบีสอนทุกคนเลยด้วยความเมตตาของอัลลอฮสุบฮานานบูาะตาลตัวเระก็แพ้กแกะบางคนถามว่าฉันจะทำอัติกอใ <c oughs> ช้กูัวได้ั้มไม่ได้ <c oughs> นบีเนี่เชื่อแพ้หรือแกะทำอัติกรให้หลานท่านชื่อฮาาัสซันกับฮูเซน เอาตัวอย่างนาบีเป็นแบบใช่ไหมฉะนั้นถ้าใครมีลูกแล้วลูกเราเนี่ยไรแต่งไอ้มีมีมขอดเด็กมาเนี่ยลูกสาวเราเนะขอดเด็กมาจะลูกสาวเงินไม่มีเนี่ยพ่อเนี่ยทําให้ได้ไหมได้เพราะนาบีเชื้อแท้ช่วยแกให้ฮะสาฮซันบูเซนถ้ายิงกอติมาลูกสาววันนั้นเงินมีเซนอาลีเงินไม่มีนบีทาแทนให้ได้ไดไหรือไม่ได้ ได้อย่างนี้เป็นต้นเพะนั้นแพะแกะต้องมีต้องเลี้ยงในอินเดียเนี่ยเขาเขากลาวัวกันนะผมไม่เชื่อพมก็ไปอยู่อินเดียเนี่ยเห็นเลยอ๋อรออับวัตใครไปเชื่อดววในอินเดียนี่นะในหมู่บ้านฮินดูนี่นะวัวไม่มีใครเชื่อแล้วก็บ้านหมู่บ้านมุสลิมฮินดูก็ไม่กล้าเข้าเขาก็เชื่อ แะ่นั้นถ้ารัฐบาลรู้ขับวส่งตำรวจมาจัดการท่านวัวเนี่ยห้ามเชวอดเด็ดขาดเพราะเป็นพระเจ้าเาบูชากันนะครับบูชาวัวผมสังเกตนะครับวัวเนี่ยเวลาเดินเข้าตลาดเนี่ยไปกินผักกินหญ้าเนี่ยพ่ออยากินพ่อพ่ออยากกินไม่ใช่ตีนะกันนะวาอยาพ่อพ่อจ๋าพ่ออยากอยากกินอยากกินพูดเพราะ กมุสลิมเราก็เราด่าพูดกัสัตว์แต่พูดเพราะก็ยังดีนะก็เป็นความรู้เนี่ยเล่าอาจารย์กิน้องเังอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัลรองว่ามีสัตว์อย่าทรมานสัตว์ให้อาหารสัตว์ดูแลสัตว์เพราะสัตว์เคยฟ้องนบีสัตว์นี่เคยฟ้องนบีนะครับพูดได้เนี่ยนบีก็เตือนสบักอย่าทรมานสัตว์นะแล้วต้องให้อาหารสัตว์แล้วก็อย่าหลอกสัตว์ พอบางคนเนี่ยเอาเอาสัตว์เนี่ยนะใส่เว่นตาดำให้อูดใส่เว่นตาดำเว่นตาดำเวลามองดูหญ้าหญ้าแห้งแห้งเป็นเหมือนเหลือนสีอะไรสีเขียวนัน่นนอกหลอกอูดนึกว่าสีเขียวมันก็กินกินกินฮะดิสที่ผ่านคนนี้อิมังบุคอีไม่รับเป็นหลอกมากได้นะ จะหลอกอสตกตุ๊กเงไม่ได้หรือว่ามาจากนบีนี่ไงท่านหะดิสพี่น้องนะปม่อใจเจอฮะดิษเรเชื่อหมดเลยก็ต้องเช็คเองฮะดิสสายเป่าเาดวยเปล่าดอยเปล่าแข็งหรือเปล่าอ่อนหรือเปล่าต้องเรียนหมดเลยนะขอบคุณอรอนะครับอต่อมาอายะที่ปสิวะลุมฟีฮมะนาฟิอวลตับลูอลล و َ ل و ت ب ل و عليها حاجتهم في صدوركم وعليها ََ وعلى الفلك تحملون َُُ ولكم ُ فيها منافع ولتبلو عليها والتبلوه عليها حاجتهم في خدوركم وعليها و على الفنك تحملون الحمد لله อัลลอฮฺให้ท่านนบีฟังนะเป็นเป็นวาหิมาจากชันแต่นี้ความรู้ที่ผ่านนบีเนี่ยเป็นความรู้ที่สะอาดนะ ยิบนบีนั่งอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนั่งอยู่ที่มัสยิดเดี๋ยววัลฮิมาแหละอ่ายิบรีนเอามาให้อเป็นความรู้เป็นกูร<ด>์รานหม ด, ด, ดเลยเนี Allah, ่ยอัลลอฮฺบอกราเนี่ยถาว่านบีนไม่เรียนก็ได้ไมั้ยอย่ที่อัลลอฮฺให้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นเพออัลลอฮฺให้ยิบรีนมาสอนนบีเลยมาดนจิตใจนบีเลยแล้วก็จําด้วยแล้วมดูลีลราอย่างนี้เป็นต้นต้อขอบคุณอัลลอฮฺว่าแล้วกุมสําหรับท่านทั้งหลาย ฟีฮาในตัวสัตว์มานาฟียแปลว่ามีประโยชน์หลายรายการล่าให้ฟังเลยนะในตัวสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยมีประโยชน์สำหรับสูเจ้าเนี่ยหลายรายการมีอะไรบ้างอันนี้อธิบายต่อไปวาวลิตาบลูกะเลยฮาฮาจ และเพื่อสู่เจ้าลี่เนี่ยแปลว่าเพื่อรี t เพื่อสู่เจ้าจะได้บรรลุความอาฮายาความต้องการเพื่อคุณจะได้บรรลุถึงความต้องการฟีสูดูรีกุมในหัวใจในหัวอกของคุณคุณอยากได้อะไรในใจคุณคุณเ่เ ล, เล่าเลยนะคุณเอาศาตว์เนี่ยเอามา ทำประโยชน์แทนคุณได้ด้วยอัลลอฮฺอักบรเอาเล่นเช่นอะไรบ้างธรรมดาเรามารู้จักนมใช่ไหม <c oughs> พอมีสัตว์นมเวลานมน ม, นมวัวมีใช่ไหมนมแพะมีเห็นไมเอาประโยชน์ได้ไหมอัลลอฮเอามากินได้นี่รวมโรงงานเนี่ยนี่ประโยชน์จากสัตว์หมดเลยอ่ะนี่เอาเล่าเล่าให้ฟังวาลิตะบลูอะไรฮาฮะจะ เพื่อสู่เจ้าจนได้บรรลุหายะความต้องการฟรีสูดูริกุมที่อยู่ในหัว อ, อกของท่านทํางหลายคุณต้องการอะไรละ่ะอโลอกอาจาัดให้ทั้งหมดเลยทีนี้คำว่าฟีสูดูริกุมนักอุลมะอธิบายสามรายการหนึ่งขี่สัตว์สมัยก่อนเนี่ยนะ สมัยนี้สัตว์ไยังมีอยู่นะในโลกอาหรับนะแต่แผ่นดินทะเลทรายก็ใช้สัตว์อยู่นะขี่ได้ไหมได้แล้วก็ทะเลทรายอูดไม่กินน้ำเจ็วันได้ไหมได้นี่อลัลลอฮ์ให้อะแล้วก็ไม่จมไม่จมทรายด้วยนะมนุษย์คนลราเดินอยู่สิจมแต่ว่าอูดเนี่ยเดินไม่จมทรายเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ไปศึกษาดูสิอีิมานเพิ่มเลยนะครับเรื่องที่สองติยาาะเพื่อการค้า ต้องการที่จะขนสินค้าจากตรงนี้ไปตรงนูน้นจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งสมัยก่อนรุกขมิบินไม่มีรถไม่มีใช้อะไรครับใช้อูดใช้าชามลากสูงใช่ไหมนี่เงอัลลอฮฺเนี่อัลลอฮฺให้มาจึงมันมีคนคิดถึงอัลลอฮฺกี่คนนะครับต่อมาครับสงครามสงครามนี่ก็ใช้อะไรใช้อูดใช่ไหมใช้าชาง อะไรที่กษัตริย์อ布拉ขนช้างมาต้องการจะยึดมักกะใช่ไหมใบตุลนอนเนี่ยมาได้กลางทางเป็นไงครับพระอัลซลนาลอาได้ส่งนก บ, บาบีเนี่ยเอาโปรยหินนะครับเชื้โอโลกตายหมดเลย เ, เอาชามมามาทำสงครามยึดนครมักกะยึดกาบาวันนี้แล้วก็จะไปสร้างกาบาใหม่ที่เมืองเยเมน ในประวัติศาสตร์นะครับเล่าให้เราฟังฉะนี้นอัลลอฮ์ก็เล่าใน ค, คัมีรุอ่านยากาบสัตว์ดูแลสัตว์ให้ดีเพราะสัตว์นั้นอัลลอฮ์ให้ประโยชน์กับพวกท่านที่ยุนในใจคุณนะ่ะเอาไปทําอะไรการการค้าดีมากดีแต่จะลืมนะได้ริสกีม่ต้องจ่ายสกาดด้วยนะแล้วก็เอาไปทําสงครามได้มไหมได้สงครามสงครามเพื่อปกป้กองอิสลาม ม่ใช่ไปสงครามไปฆ่าคนแบบอเมริกาเนี่ยฆ่าใครจะใครตายเ ต, ต็ไมไปหมดยุคฮัจร์บ้างก็ทะเลาะ ก, กันไปคนน้ํามันเขามาชช้เราไม่เอาแบบนั้นนะแบบนั้นเราไม่เอาเพราะเป็นการสงครามที่เอาประโยชน์ใส่ตัวเองแต่อิสลามเนี่ยให้ทําสงครามได้เพื่อปกป้องอัลอิสลามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราทำดูลยละมาต่อมากับอายาที่81 แต่เหมอือนาว่าเรืออุาอลามาอธิบายบอกว่าอูดนะครับที่เดินอยู่ในทุ่งอยู่กลางทะเลสายนั้นเปืียบเสมือนเรือในท้องทะเลใช่ไหมเขาเรียกว่า อูดอยู่ในท้องทะเลออูดอยู่ในทะเลทรายส่วนเรืออยู่ในแม่น้ําอยู่ในทะเลมหาสมุทรประโยชน์เหมือนกันประเทศที่ยุโรปส่วนใหญ่ก็ใช้เรือใช้น้ำใช่ไหมมีเรืออาหรับกลุ่มอาหรับส่วนใหญ่ก็จะใช้อูดการเดินกลางทะเลทรายทั้งสองมีประโยชน์เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุพรรณด้วยกัน ขอดวัวตอลอขึ้นสัตว์ขีสัตว์ต้องขอดวาวลมเรือก็ต้องขอดวัวนี่เตือนให้เราได้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah อัลลอฮฺ سبحانه และก็ต่างๆตัวฮมาลูนแปลว่าสูเจ้าบรรทุกสู่เจ้าเนี่ยใช้สัตว์บรรทุกบรรทุกนุ้นบรรทุกนี่นสินคุ้สินค้าที่จะเอาไปขายเพื่อเอาประโยชน์เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ นะครับเลียมตัวเองแล้วก็บริจาคดูแลมสลัสยิดโรงเรียนบ้านของอัลลอฮเด็กกับผมการะให้ทามาค้าขายเรื่องการค้าขายในะอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมค้าขายนะเพราะสาฮะบานาบีเนี่ยส่วนใหญ่ค้าขายหมดเลยแล้วคนที่ค้าขายแล้วร่ำรวยนะใครจาชื่อได้ไหมอับดุลลมานบินอ้ว แล้วรวยนี่ไม่เคยลืมอ่ะไม่เคยลืมคนยากคนจนอ่ะดูแลครอบครัวนบีอีกอ่ะนบีเสียภรรยายังเหลืออยู่ดูแลนะส่งอาหารส่งแคะทส่งแกะเชื่อให้อให้เป็นตัวตัวเลยนะนั่นเขาดูแลกันแบบนี้เอาล้อเลยพอใจตอนี้พวกเราพอทิ้งการค้าแล้วเป็นไงกันที่ที่มีอยู่ก็เริ่มขายก็ทีละแปลงละแปลงละแบบมด ท่าถ้ามีการค้าเอาไว้อู่นนบีเลยสั่งบอกว่านี่เป็นความก็เรียกว่ามีนักเรียนมหาวิทยาลัยมาดว้วเนี่ยเขาทำวิจัยด็อกเตอร์มีทรัพย์สินเวลาขายแล้วต้องซื้อเก็บเอาไว้ด้วยขายไปแล้วหนึ่งงานต้องซื้ออีกหนึ่งงานเก็บเอาไว้ตรงไหนของโลกก็ได้คนถ้าขายที่หมดเนี่ยนะ อำนาจต่อรองไม่มีรัฐบาลประเทศกาเฟจจะยู่ถูกเหยียดหยามมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์นี่อุลมามะสอนไม่หมดเลย ก, ก็ไม่อยากจะแตะเรือ ก, การเมืองนะ <c oughs> อัะตออมาครับอายาที่แปดสิบเอ็ดวายูรีกุมอายาติฮิฟะอิยายาติลลา ตุ้มกิรูณวายุริกุมอายาติฟาอายาอายาติลาอตุมกิรูณอัล a อฮ a ออายะนี้อัลลอ์ต้องการให้มนุษย์เนี่ยสังเกตดูสิ่งที่อัลลอ์สร้าง ม, มาบนโลกใบนี้นะหัดสังเกตบ้าง ไม่ใช่เดินผ่านอย่างเดียวสังเกตอัลลอฮ์บอกว่ า, า, า, า, ว, าวายูรีกุ่มอลัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงพระองค์เนี่ยได้ทรงแสดงให้ส่เจ้าเห็นแสดงให้เห็นอ้ามองี่อะไรบ้างอัลลอฮ์แสดงให้เห็นอาญาตีสัญญาณทั้งหลายของพระองค์กูรานี่ใช่ กุานาหเรื่องนี้ที่ท่านเป็นน้องถืออยู่เนี่ยนะนี่เป็นสัญญาหนึ่งของอัลล์แล้วก็กุรา น, นี่เป็นความรู้หมดเลยนะ Allah, อัลลอฮฺอัลกุรอ่านกุรานอายาเดียวขึ้นกุบตบะได้ไหมได้แล้วอันอายากุรานอายาเดียวเนี่ยอธิบายกุรานได้เลยอัลลอฮฺนึกถึงความจริงสมัยกอนเนี่ยอันมากุบาตบะถือกุอาห์มาเล่นเดียวอัลติก็ามาเปิดอ่านอะอนะะลบให้ความรู้ดังนั้น อัลลอฮฺสอนได้กับอิกรานกนะ็ให้ท่านนาบีมามาสอนต่อว่าวายูร um ีกุมอายาตีและพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงสแสดงให้สูเจ้าเห็นอายาตีเป็นพระหุพจน์นะอายาตุลแต่ว่าสัญญาหนึ่งอายาตหลายหลายสัญญาณของพระองค์อะไรบ้างกุกรานนี่ใช่ ah ใชั้นฟ้าใช่แผ่นดินใช่ ดวงอาทิตย์ใช่ดวงจันทร์ใช่ท้องทะเลใช่มนุษย์ใช่ยินใช่มาลอิกาเน่ต้นไม้เน่สัตว์ในทะเลทั้งหมดท่นนานอรสร้างหมดเลยท่า น, นเป็นสัญญาณแสดงให้คุณต้องสังเกตดูเรียนด้วยก็ได้ทำม า, มาเรียนวิชาได้มาละเรือเหรออย่างนี้เป็นต้นไปนะครับท่านให้สังเกตดู มองดูชานฟ้าอัลฮัมดูลิลอลอลออัลลอฮอัลลอฮยิ่งใหญ่ยิงย่ ง, ง, งที่ใครสามารถทำได้แคนะั้นอย่ากราบดวงอาทิตย์อย่ากราบดวงจันทร์อย่ากราบต้นไม้อย่ากราบภูเขาอย่ากราบอลัลลอฮ์สรางมาให้ประโยชน์กับมนุษย์อัลฮัมดูลิลลอออย่าไปกราบกราบอัลลอฮ์นูน่นีเป็นตัวนี่อิสลามสอนดีไหมอลัลลอฮ์การที่เราไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอลัลลอฮ์เนี่ยการด i s c r e d ดิสเครตตัวเองนะพูดอย่างนี้บางคนมันทรายไม่ไม่แตะแค่นี้พอดังนั้นกราบอัลลอ์พักดีต่ออัลลอ์เชื่อความอัลลอ์แบบนบีมุฮัมมัดและบรรดาสัฮาบานนบีเขาปลอดภยัยอัลลอขณะนี้ก็อยู่ใ น, นสวรรค์กันหมดแล้วเวลาตายเจอสวรรค์ตายเจอสวรรค์ตายเจอสวรรค์อย่างนี้อย่ต้นนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺาลออัลลอฮถาม เมื่อเราได้แสดงให้สูญเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ฝอายอันใดเล่าอายะไปคำถามนะอันใดเล่าอายาติลาฮิสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ตุงกิรุนสูญเจ้าปฏิเสธปฏิเสธไงเกิดขึ้นมาเอ๋นี่อัลลอ์ไม่ชอบภาษานีนะ เกิดมาเองเกิดมาเองได้เปล่าไม่ได้อนนี้อัลลอฮฺสอนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองบนโลกใบนี้อัลลอฮฺเป็นผู้บริหารจัดการโดยสั่งว่ากุนไฟยกูลเป็นก็ค่อยเป็นขึ้นมามีภูเขาใต้ทะเลใช่ไหมภูเขาภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลอ่ะมีเกาะขึ้นใหมๆ่ๆนี่อัลลอฮฺให้เห็นน่ะ ออัลลอฮ์พูนะเว่าเราจะสร้างสิ่งใหม่ๆที่คุณยังไม่รู้จักอีกหลายอย่างฉะนั้นยิ่งอยู่ไปอยู่ไปก็จะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะบนโลกดุนยาไปนี่ะได้เห็นพอเห็นปั๊บเนี่ยอิมานเป็นไงอิมานเพิ่มพอเห็นพัพิสูจน์คุรอ่านอมานเพิ่มอมานเพิ่มอัลฮัมดุลิลลาฮิตุลิิมีต้นนะครับฝายายาติลลาฮิตุกิรนดังนั้นอันใด จากสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์เล่าที่สูญเจ้าปฏิเสธอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาอายะห์ที่แปสสองพูดถึงการเดินทางพูดถึงการท่องเที่ยวเอางี้นะคนท่องเที่ยวเนี่ยก็คนเดินทางเนี่ยมุมินเนี่ยก็ท่องเที่ยวเขเดินทาง แต่คนกาเฟตก็ท่องเที่ยวนะเราเรียกภาษาต่างกันนิดนึงนะมุมินเดินทางคนกาเฟตท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปทำอะไรน้องสังเกตเองก็แล้วกันทำไมบารในขับมันจเจริญอ่ะทำไมโรคโควิดมาเพราะบามันจเจริญอ่ะก็ตามเลิกซะนะอย่างนี้เป็นต้นอันี้เนตัวอ่านูกุรอ่าน ร, รับอาฟาลัมยาซีรูฟริลอารด ปลายั و و ُรَูกายพรَนางกบฏทْลล์ที่นั้นพอบลิมกานุอ م กษรอมินหَมว่าชัดดั้กัวว่าว่าชัดดัมินหุมกัวว่าสารَมใน الأرض فما أغنى عنهم كانوا يكسبون أ ف ل م يسيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عقبة الذين قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة ว่าสารใน الأرض ฟ้ามาอัลกนาอันหุมอาคานุยาคซีบุนอัลลอฮุอะบดุลอัเตือนตังกับอีกรานเตือนเรื่องที่หนึ่งอัฟลามยาซีรูพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางหรืออาจจะเรการเดินทางดีๆได้ไม่ดีดีทําไม เปิดหูเปิดตาเห็นอัลลอฮมา ก, กแนะนำอะ่ะคนเดินทางเนี่ยต้องมองเจ็ดอย่างเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าซื้อบือ้อต้องสังเกตห้สังเกตเจ็ดเรื่องหนึ่งที่ราไปหมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านเป็นยังไงสังเกตชายภาษาอะไรที่เขาพูด มารยาทนิสัยเป็นยังไงมีาศาสนาไหมมีอิมานไหมเช็คที่สุราวดูมีคนนมาดน้อยหรือเยอะถ้านมาดเยอะแสดงว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่หัวหน้าอาผุนหลัผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี้เป็นคนดีเชิญชวนคนให้เข้ามาสศึก ไปเห็นแล้วสุเหราใหญ่สวยแต่คนนมาศไม่มีต้องนึกนี่เดินตามสุนันนาดีข้อเดียวที่นบีบอกว่าอย่าแข่งกันสร้างสุเราแต่ที่นี่เขาสร้างสุเราใหญ่นึกในใจอคนนมาศไม่มียกตัวอย่างอย่างเนี้สกแกนดูนะละนิสัยคนเป็นเป็นยังไงทักทายคนไหมยิ้มไหมเวลาเดินผ่านคนียยิ้มกับเราก่อนหรือเปล่า เจ้าของบ้านแบบไหนเนี่ยแขกมายืนหน้าบ้านสลามก็ไม่สลามยิ้มก็ไม่ยิ้มแล้วก็มองไปถึงคนในหมู่บ้านนี้ไม่ได้สอนอิสลามมนาอุลฮัสซันในการบริหารเวลยผมไปเยี่ยมที่อเลกาอินเวสตี้ที่คุณไทยไปเรียนกันเยอะเนี่ยเขาพูดดีนะนักศึกษาฟามเป็นพันเลยนะบ้านใครบ้านบานเราจะเป็นมุสลิมมันมุสลิมสังเกตได้งานนีดเดียวถ้ามีเสียงอาดาร และเอานามาดนำหน้าเอาอิสลามนำหน้าบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีบารักับสังเกตง่ายๆไม่ใช่เอาพรมนำหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เอาสิ่งอื่นนำหน้าเอาอิสลามนำหน้าจึงนั้นบ้านมุสลิมต้องเอากุรานนำหน้าเอาอิสลามนำหน้าต้องมีเสียงอัลาห์เสียงอ่านอัลกุรอานเสียงให้อภัยไม่ใช่เสียงด่าคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ อาฟาลามยาซีรูอัลลอ์บอกกับนบีนะให้นบีมาสอนด้วว่าพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางฟิลอ e รดิในแผ่นดินนี้เดี๋ยวนี้อเมริกาจะไปศึกษาเรื่องดาวของบนนี้บนาะ ก, ก, ก็จัดกันไปแต่อัลลอ์พูดในคุรานแล้วเองไม่มีความสามารถต้องมีความรู้หนึ่งความรู้มีสองอย่างมีเงิน ก็มีความรู้ถึงจะขึ้นขึ้นบนได้แต่งั้นขึ้นไม่ได้แต่ที่แน่ๆเอาแผ่นดินดุญญนยาที่ก่อนเดินทางบนแผ่นดินนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นไงครับฟยายาุรูเนี่ยตรงนี้สอนดีจงพิจารณาจงมองมองม้สองอย่างมองลราผานแต่ตรงนี้มองตรงพิจารณาสังเกตโอ้ยย่านินทานนะ๊ เอาไว้ในใจวัดตัวเองโอ๋ฉันเออมันอันนี้มันดีกว่าหมู่บ้านฉันจะเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ดีกูดา่าเขาไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ดา่าใครเลยเอาวัดอีมานในตัวเราฝ่านะยยองรู้ไก่ปะอย่างไรอากิบะแปลว่าผลสุดท้ายผลสุดท้าย อัลลอฮฺนำมิงกอบลิฮิมบรรดาคนที่มาก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นเป็นยังไงออาจากที่นอกไปที่ประเทศอะไรนะที่มีเดซีเอซีเรียไม่ใช่เลบานอนอะไรพวกนี้นะเจอเดซีต้องนึกทำไมมีเดซีต้องนึกโอ้ที่ตรงนี้ประชาชนรุ่นนั้นรุ่นนบีลูด ผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันเห็นไหมถูกลงโทษแบบนี้ต้องนึกให้ไปสังเกตดูผลสุดท้ายเป็นยังไงจุดจบเป็นยังไงอาดาบหมดเลยอ่ะถูกลงโทษจ้ากระลอกเจ้ากระลอกเจ้ากระลอกลอย่างนี้เป็นต้นให้ไปสังเกตจาการเดินทางดีหรือไม่ดีดีการท่องเที่ยวดีหรือไม่ดีแต่เป้าหมายไปดูว่า ต้องมอรืกอิสลามอย่างเดียวนำหน้านะหมู่บ้านนี้เป็นยังไงหมู่บ้านนี้เอาอิสลามนำหน้าไหมหรือเอาอารมณ์นาหน้าต้องนึกอยู่ตลอดเลยละนะครับต่อมารับกานอัฟซาลมินหุมพวกเขาเหล่านั้นนี่นะมีมากกว่าอัฟซัตแตวามีมากกว่ามินหุมมากกว่าพวกเขามีอะไรบ้างอธิบายเลยหนึ่งมีเงินมากกว่า สองมีร่างกายใหญ่กว่าสามมีที่อยู่อาศัยแข็งแรงกว่าอาเช่นสมัยนบีลูดสบายอะไรอาตมูตรที่ผ่านๆมาในอดีตเนี่ยเนี่ยเล่าๆนะให้ไปคุยกับอาหรับญาตินาบีที่แอนตี้อิสลามมหยุด ใ, ให้หมด <c oughs> <c oughs> เวลาไม่หยุดอลัลลอฮ์ทำไมว่า ให้รวย ก, กวก่าเก่าเอกเอาดาคนคล่องกว่าเก่าอีกตะโกนดังกว่าเก่าอีกแต่เองเดี๋ยวพอวิญญาณมาถึงก็หอยอยยาฉันทําทํำไมของเหล่านั้นีน่อัลลอฮ์ เ, เตือนให้นบีนบีมาสอนคนที่มาก่อนหน้านาบีมหามัดก่อนหน้าอารับอารับมุสริมใน น, นครมา ก, การเนี่ยคนที่มาก่อนหน้านี้นะมีเงินมากกว่าคุณ มีพลัง ก, กำลังใหญ่กว่าคุณข้างคารหัดแข็งกว่าคุณมีอะไรแต่อะไรอายุ ก, ก็ยาวกว่าเป็นพันๆปีแต่ยุคราวดูเท่าไรหกสิบปีนี่แย่แล้วแปปีนี่แย่แฉะนั้นอย่าอวดีีนะคนในยุคนี้อย่าอวดีให้นึกถึงยุคในอดีตนะเขาอักสารมินหุมมีอะไรมากกว่า วะอัชัดดากูวาอัชัดดาแปลว่าเสด็จนะเข้มแข็งกว่ากูวาแปลว่าพลังหรืออำนาจมีทหารมากกว่าอย่างฟาโรมีทหารไม่รู้เท่าไหรน่นะแล้วก็เป็นไงแพ้แพ้ใครแพ้นบีมูซาอะลาอิสลามเห็นยังก๊บเอ็งจะมีอำนาจใครไหนก็ตามจบนล้วไม่จบจบนี่เตือนน่ะให้นบีมาสอนอาหรับเองอย่าตะกร บ, บุตน่ะ ฉะนั้นตกับบุทยเราพอใจบ่าเอาเราหมั่นไส้หมดแต่ว่าในช่วงมีชีวิตอยู่เอาไปเลยเอาเงินไปเอาชื่อเสียงไปตำแหน่งไปเอาพวกไปทำลายใครก็ได้แต่เองเจอนถาาะถ้าไม่ต่าบ้าตัวต่อรถเองเจอนีน่เป็นตั ว, าาาาาตวนี้รออาซาตาวรร่องรอนี่ร่องรอเน็ตซีนี่ร่องรอยใช่ไหม ในอินเดียนียอิมามบาราเนี่ยร่ำรวยทัชมาหันเนี่ร่ำรวยเนี่ยอร่อยให้เห็นหมดเลยร่ำรวยบางคนก็กสาวทัชมาหันน่ะเป็นมัสเลตหรือไม่ใช่เป็นกุโบเป็นกูโบเป็นน้องนั่นงซ่อมกรอมใหญ่นี่ยน่ะเป็นเบอร์ที่ห้าของโลกน่ะเพราะว่ากษัตริย์มีพระยาตายป ร, ระภรรคภรรยาคนนี้มากก็สร้างเป็นเนียทัชมาหัน ข้างในเป็นกูบวเห็นยังถ้าเราไม่รู้ประวัตินี่เป็นสุราหรือบอกไม่ใช่ <c oughs> นี่เป็นมากองไงจากนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาเดินทางไปไหนก็ตามไปดูร่องรอยเก่าๆของแต่ละประเทศแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั่นคือความหายาะของคนในอดีตที่ทำผิดอะไไม่ตอบบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สละบาลูอิตาเลาหอาต่อมาครับ ฝ่ามาอัคนาอันหุม อ, อาญานิวักนิเศษรอนดีนะทั้งหมดจะเป็นเงินก็ดีชื่อเสียงก็ดีตำแหน่งก็ดีร่างใหญ่ๆก็ดีบ้านช่อมตึกสูงเป็นร้อยรอยชั้นก็ดีที่เอ็สร้างกันไว้ในอดีตนะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยเตือนดีได้ไหมดีมาอัคนาอันหุมช่วยเหลือคุณไม่ได้เลย อ้าวในเมื่อช่วยไม่ได้อะไรช่วยได้เรานึกดูอะไรช่วยได้อีมานอีมานช่วยไ ด, ยได้ตึกช่วยไม่ได้เงินช่วยไม่ได้อำ น, นาจช่วยไม่ได้มีทหารเป็นล้านๆคนจะเป็นกี่แสงก็ตามแต่ช่วยคุณไม่ได้เวลาอาดามาอะไรช่วยได้อีมานประคองชีวิตคุณได้ไม่ให้ล่มจมอัลฮัมดุลิลละอิมานสําคัญที่สุดอย่างนี้เป็นต้น ต่อมาครับมากานูยักษีบูลที่พวกเขาได้ขวนขวายได้แสวงานได้เหน็ดเหนื่อยในการทำนู่นทำน่นทานู่นแล้วทำทำไมสิ่งเหล่านั้นช่วยเหลือคุณไม่ได้เลยในบ้านปลายของชีวิตช่วยไม่ได้และทำทำไมเขาก็ตำหนิกันเยอะนะในโลกอาหรับเนี่ย สร้างตึกสูงๆก็น บ, บีพูดไปแล้วว่าอย่าต่อต่ อ, ตอวารูณนะเป็นบุญญาจะแข่งกันสร้างอาคารสูงๆนะในโลกยุโรปก็ไม่ได้แข่งกันอันนี้มาแข่งชใช่หรือไม่ใช่ติดตำหนิได้เล็กน้อย ๆ, อยๆอย่วม อ, อ่ะเราอยากจะให้พี่น้องมุสลิมอาหรับเนี่ยนนลงทุนอ่ะ เดินทางไปทั่วโลกสอนคนที่ให้รู้จักอัลล์ไม่ทำไงทูกยุคดีปะจจุบันเลยไงั่งทะเลาะกันหมู่บ้านนี่ทะเลาะกับหมู่บ้านนี้ประเทศนี่ทะเลาะกับหมู่บ้านนี้ตัดสัมพันธ์กับคนนั่นผูกกับสัมพันธ์กับคนนี้ทำไมาไม่สอนคนให้อิหมานต่อร้อนให้นึกถึงซุนานะนาบีให้สอนคนไ้ให้อาภัยกัน ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำหน้าที่ไปทำเรื่องอื่นหมดเลยของที่อัลลอฮม่ทัเลียนแบบยะฮูดีใช่ไหมใช่ยะฮูดีแต่มันหลอกนะอังเองเห็นต้นครับอาตุลลองว่าชีวิตของคนในอดีตนะ่ะรวยกว่าเรานะเข้มแข็งกว่าเรานะมีตึกอาคารแน่นกว่าเราแข็งแรงกว่าเราไปรอดมนะั้ย นี่เป็นต้นยกตัวอย่างกอรูนรวยหรือไม่รวยไปไหนทุกแฟนตินซูเอามาดูคนที่จนที่สุดในสมัยในบีไซนาบีลานมีอะไรบ้างรถไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีอยู่กับเพิงนบีต่อเพิงให้อ่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนบีขึ้นมนี่รอไปรับนมาดมาเจอไซนาบีลานเดินอยู่กานหน้านบีในสวนสวรรค์ อ่ะก็มีอะไรอย่ะนี่น้องก็อีมานางฉันเราต้องเข้าใจนะอยู่บนดุญยาเนี่ยควรจะหาอะไรก่อนแล้วก็หาอะไรทีหลังอย่างนี้เป็นต้นก่อนนะครับเอาต่อมาต่อ ร, ระยะที่แปสบสามฟะละมาจะ อ, อัตุมรู้สูลูฮุมบิลไบเนต فريحو ا بما عندهم من العلم وحاّب بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فريحو ا بما عندهم من العلم ว่าผูบิบมากะนูบิยัสเตห์จีอูนอัลฮัมดุลิละอายันนี้ดีมากครับอายันนี้พูดเรื่องความรู้ความรู้ที่ผ่านนบีที่ผ่านวาฮีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สะอาด คนนี่ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺผ่านนบีผ่านสุฮับะต์แต่ไปให้ความรู้กับคนที่มีดุนยาเยอะๆเข้าใจนะเวลามีความรู้เนี่ยส่วนใหญ่จะตะกรรุตรคนที่มีความรู้เยอะๆนะ รู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรัาา่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็ตามแต่เยอะแล้วก็มีความรู้ด้านอื่นๆอยู่จะกำหนดแต่คนที่มีความรู้ผ่านวะฮีผ่านนาบีจะนอมนอมถ่อมตนหมดเลยสังเกตเใช่ไหมดันั้นจะเอาอยัางไง อ่านดูดูุดรานครฟะลั ม, จออมจะจัอาตฮุมจัอาเขว่าได้มายังฮุมมายังพวกเขาเมื่อได้มายังพวกเขาแล้วได้ยินแล้วรู้แล้วรูซูลรฮุมบรรดารอซูลของพวกเขาได้มาถึงเมืองเขาแล้วถึงประเทศเขาแล้วถึงบ้านเขาแล้วบิลบายนาีนารซูลดูนอับบีที่มาเนี่ย นำเอาหลักฐานมาเอาเอาคำภีรมาสอนนะเอาบุคคลตัวอย่าง ม, มาสอนนะที่ผ่านๆมาทั้งหมดแทนที่พวกนี้จะดีใจแทนที่พวกนี้จะต้อนรับความรู้ที่ผ่านอ AH, ัลลอฮฺผ่านรอซูลผ่านนบีมาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยฟาลิฮูบิมาอินดารุมฟาลิฮูแปลว่าพวกเขาดีใจ พวกเขาล่าเริ่มพวกเขาละเริ่มพวกเขาแฮปปี้เขาจะแฮปปี้กับรอซูนนะมันจะแฮปปี้กับนบีนะมัได้แฮปปี้จากอุลแอนนะมัได้แฮปปี้กับตอร์อินดีนนะเปล่าไปแฮปปี้บิมาอินเดฮุมบินอะอินมิกับความรู้ที่อยู่ในตัวของเขาเข้าใจใช่ปะไปแฮปปี้ ปฏิเสธกุรานปฏิเสธนบีปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธนบีมูซานาบีอิสซาปฏิเสธหมดแต่ไปเอาความรู้ที่ตัวเองไปเรียนมาจากไหนก็ไม่รู้เช่นหมอดูไปแฮปปี้กับวิชานั้นไปแฮปปี้กับวิชาที่ไร้าสาระหมดเลยตุละ่ะมองความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์ไม่แฮปปี้ เอาความรู้ที่มนุษย์คิดขึ้นมาเนี่ยแฮปปี้โอ้เอ็รู้วิชายเยอะอย่างนี้เป็นต้นมนาบุษรันไปยุโรปมา mm hmm. พอ ก, กลับมาเนี่ยกลับมาก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังบอกหล่อสงสารนะบอก็ยุโรปเอ้ยเอาศาสนาที่คุณมีอยู่ในตัวคุณนี่นะ เอาวางไว้เอาอิสลามไปใช้ดูสิประเทศจะเจริญขนาดไหนโลกใบนี้จะเจริญขนาดไหนคุณเอาความรู้ที่คุณมีอยู่สมัจจุบุญาตายายเอามาให้คุณเนี่ยมันทำให้โลกเจริญไม่ได้จะให้โลกเจริญต้องเอาความรู้ผ่นานนบีมุฮัมมัดเท่านั้นที่จะเจริญได้พรพ่อครูอ่านอธิบายอย่างนี้ยุฮียุม จงปฏิบัติตามอัลลอฮฺยแลลรซซูลจะทำให้คุณมีชีวิตชีวาที่ดีกว่าเก่าเดินตามคุณอ่านสุนทรพจนทำให้ดีแต่คุณไม่เอาอะไปฟาริฮฺเบมาอินเดฮุมมินอะไลล์มเอาความรู้ที่อยู่กับได้มาจากคุย่าตายายเนี่ยอ้าฉันจะเอาอันนี้แหละอัลลอไม่พอใจนะอัลลอไม่พอใจเขายกตัวอย่างงานแต่งงานเนี่ย จัดวอลีมาไม่ได้เอาสุนทรนบีมาใช้เลยมีเพลงมีดนตรีมีเต้นรํากับแต่งงานตามนาบีอันไหนจะดีกว่ากันลงทุนก็น้อยกว่าด้วยนะแต่มันไ ม, ไม่ไม่ได้หน้าอ่โอต้องใหญ่ต้องเต้นรําต้องนู้นต้องนี้เนี่ยอุลมะพ่อสอนนะดึกนึกจะทําอะไรก็ตามอย่าเอาความรู้ผ่านปู่ย่าตายายมาใช้เอาความรู้ที่ผ่าน นบีมาชายัยชีวิตมันต่างกันอย่างนี้เป็นตัวอักตระมาครับทีนี้เมื่อไปแฮปปี้กับชีวิตชีวิตอะไรนะ่ะนี่เวลาดีใจนะอ่าดีใจยังไงครับเวลาดีใจฟาริฮูนี่นะดูนบีมัม o m a น, นบีเวลาดีใจน่ยแช่อะไรใชยิมใช่นระือไม่ใช่นบีไม่เคยดีใจหัวเราอ่ะอ่ า, อา ไม่มีแค่ยิ้มฉันเราก็เหมือนกันเวลาดีใจทำยังไงนบีสุไลมานรู้ภาษาอะไรรู้ภาษามดรู้ภาษานกขนาดเดินทางอยู่ในในป่าเนี่ยมดเนี่ยสั่งลูกน้องมดให้เข้ารู้บิสลมานได้ยินภาษามดพูดกับมดหวัวหน้ามดพูดกับมด มุสลมาดีใจสุดยอดเลยอ่ะเราเป็นยี้ป่ะถ้าเราดีใจอัลฮัมดุลิลละก็ไม่ได้ว่าไม่ต่างอะไรกับนง ไ, ไงคนประเภทนะอดีต ท, ที่ผ่านมาเนี่ยตะกรบบดเยอะยิงจอมของฉะนั้นเวลาดีใจแบบนักฟุตบอลนเนี่ยนะนักฟุตบอลมุสลิทมที่มีที่มีอัลอาล์มุลมมคุมเขาอยู่เนี่ย เขเล่นในสนามุบอลนะอะไรอย่างอุลมะเขานั่งอยู่นะไอ้สุดยอดเขาสู้นุ่นะเราเนี่ยไปน้องสุดยดหรือเปล่าแล้ว<ม>ก็ขอเตือนพวกเราจะนั่งเวลาดีจะสอนลูกสอนภรรยาเวลาดีจะอยาตะกำบดอย่าเยอะยิ่งอย่าจองเวลาทำอาหารเลี้ยงคนต้องแจกอย่ากินคนเดียวอย่างมีเป็นต้นนะครับเนการสุดยดขอบคุณ Allah ุ u b h a n a h u w อย่างนี้ปตการให้อภัยนี่เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุด น, นะครับว่าฮากอบิฮิมใครที่ตะก บ, บดุดเวลาดีใจแ ล, ลือัลลอ์เนี่ยนะฮากอบิฮิมถูกสกัดสกัด้องพวกเขาไว้แล้วอะไรสกัดรู้เปล่าสิ่งที่พวกเขาเยะเยอะเย อ, อิสลามยัสตาฮุพวกเขาย่เยเยเพราะนั้น การที่ไม่เอาสุนัขนบีมาใช้ขณะที่ดีใจเท่ากับเป็นการเยอะเยอยมุฮัมมัดเยาะเยอยอิสลามเยาะเย้ยสุนัขนบีใช่ไหมครับพะเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังอ่ะถ้าเราไม่อ่าน Quran จะรู้ไหมไม่เอาสุนัขนบีมาใช้เขาจะว่าอะไรเยอะเย้ยผมก็เพิ่งรู้อ๋อสุนัขนบีมีให้ใช้แต่เองไม่เอา ไปเอารูปแบบประเพณีของโตกีโตโยนะครับของผู้หลับผู้ยาที่เคยทำในอดีตนั้นมันถูกใจไงใช่ไหมนั่นเราะเป็นการเยอะเยอยสุนนนาบีแล้วก็คนที่เยอะเยอะเป็นไงข้ากอบิฮิมถูกสกัดลอไไปเรียบร้อยหมดแล้วรอตายอย่างเดียวเจอกับนาอูซบินาบลอาอิมินี้ลิกอาายาที่แปสิบสี่ فلما رأوا بسنا قالوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ و َ ك َ ف َ ر ن َ ا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا رَأَوُا ب َ س ن َ ا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ วกะฟอรนาบิมากุณนาบิมุชริกินอ้ยา น, นี่เตือนเราอย่าทำตัวเหมือนฟิร์อนอย่าทำตัวเหมือนฟิรออ์มอนดูคำแปลนะฟาลามาลาอาเมื่อพวกเขาราอาไปว่าเห็น บานาการลงโทษของเราและลงโทษเนี่ยมาตอนไหนหรู้เปล่าตอนจะจายอ า, าบาทั้งหมดจะเห็นตอนตายไอ้ที่เห็นเห็นนี่จิบจิบที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดอิรักไปฆ่าซันดามบูเซนไปฆ่าใครจะใครนี่มันจิบจิบแค่แซมมปนเป็นหนังตัวอย่าง อาซาบจริงๆก็เห็นตอนใกล้จะตายที่แอนตี้อัลล์ที่แอนตี้สุนนะนบีที่แอนตี้คุรานนี่นะอาซาบมาแน่ตอนใกล้จะตายฟารมมาระเอาเมื่อพวกเขาทั้งหลายเห็นการลงโทษของเราตอนใกล้จะตายนะก็รู้พวกเขาก็จะพูดว่าเมื่อก่อนนี่นะัขอแข็งผูแอนตี้อิสลาม มีคนหนึงยกพูดมาจะเอา q u r อานี้ไปฟ้องศาลโลกเชิญนลย <c oughs> <c oughs> อามานาบิลลาเราอีมานต่ออัลลอฮ์องเดียวก <c oughs> ่อนหน้านี้พูดปะไม่พูดฉันอีมานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลก <c oughs> และอามัณนาบิลลาฮิวะฮัดเราศัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียว พูดทำไมเ ร, เราเล่าเองตอนเห็นการลงโทษของเราที่เป็นการอธิบายว่าฟาโร่เนี่ยพูดภาษานี้นะตอนตจะจมน้ำเนี่ยพูดภาษานี้อามันนาบิลลาแล้วต่อมาครับวากาฟนาบิมาและเราปฏิเส กุนนารีที่เราเคยมุสลิกีนเป็นผู้ตั้งภาคีเอาตัวเองเป็นพระเจ้าเลวหรือไม่เลวยกตัวเองเป็นใหญ่เลวหรือไม่เลวฉะนั้นพอความตายมาถึงอาสาบมาความตายมาพร้อมกับอาสาบไม่เชื่อลองตายบอเวลาตายภาพอาสาบมาเห็นหมดเลยครับ เห็นท้งนรกเราเห็นทางสวรรค์ด้วยแต่นี้พอเห็นนรกกั๊บเนพูดยังไงอามันาบิลอะอิวะเดเราอีมานต่ออัลลอฮ์องเดียวแล้วมอตอนอยู่บนดุนยาก่อนตายมีตั้งหลายองค์ร้อยองค์พันองค์พอกล้าจะตายจริงๆเห็นอาซาบแล้วเพิ่งจะอยาไม่เชื่อเนี่เล่าให้ฟังเรื่องชีวิตก่อนตายเจอแบบนี้ทุกคนต่อมาครับ Nah Quran katibai Nabi Rasul Yunus nampaknya hatta jika ada robahul warqa Nabi Rasul mahu nampaknya orang nampaknya Allah itu teruskan mengatakan bahawa, "Mereka hendak berjumpa dengan Allah, Allah mengatakan, "Saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya a y a saya saya percaya, saya percaya, saya p e a y a saya a y a saya a y a s a a percaya, s a y s r a e r ฉันเชื่อแบบบรีอิสราเีลที่อีมานต่อนบีมูซานะฉันเชื่อแบบเขาว่าอานานักมุสลิมฉันเป็นมุสลิมคนหนึ่งนี่ฟาโร่พูดเองตอนจะตายแต่ความรู้ตอนั้นคนกล้จะตายนี่นะเห็นอาลาบครับเห็นการทรมานของคนตีปแอนตี้อิสลามแอนตี Muhammad, ้นบ an, ีมุ hammad แอนตี้คุณอ่านแอนตี้นบีมูซานทั้งหมดเจอหมดเลยครับ แล้วก็พูดธามัน <speaking> ช <of al> ัดอิมาแลอัตตอมักคำตัดสินคาสุดท้ายฟะลามยาคูยามฟาวฮุมอิมานุมลัมมาเราบาสนาซุนอัลลอฮิลลาติกดขลัสฟีฮับาดีวะฮอซาะ กูนัลีกเลกกัฝิรุนฟัมยาคุยมฟ้อุหุมอิมานุหุมลัมมาเราอุบะสันาซุนนะตอหลัลลัติคัดข الة ฟิอิ عباد ิห์และ خاص รูนั้นหลีกเลกกัิรุนจบอายะห์บรีของสุรากะฟิร ลัมยะกู้แปลว่าไม่ยังเฝ้าหุม อ, อำนวยประโยชน์ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้อะไรครับอีมาหุมอีมานของคุณเนี่ยตอนใกล้จะตายอิช่วยไม่ได้อ่านี่เตือนให้รู้ว่าถ้าจะอีมานต้องอีมานก่อนตาย วิญญาณมาถึงขอหอยแล้วอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานแบบนั้นช่วยได้ไหมล้ำยากูยอมฟังหุมอีมาหนหุ่อีมานแบบนี้ช่วยไม่ได้เคลียร์เลยครับวิญญาณมาถึงคอหอยฉันอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกฉันอีมานต่ออัลลอฮ์แล้ววันนี้ฉันตบว่าตัวอัลลอฮ์ไม่รับ ฉะนั้นถ้าจะเตาบ้าตัวก็วันนี้วันนี้เลยเอาวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเรียนศาสนาซะหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองซะถึงอลัลลอจะรับถ้ารอให้เข็นเห้าห้องหายซอยูหมอว่าลุ่งลุ่งอีกแปนชั่วโมงไม่รอดอินอัลลอฮฺอัลลจะไม่รับ อ่ตอมาดูฟลัมยาุยังฟาฮุมอีมานุฮุมแต่การศรัทธาของพวกเขาจะไม่อำวยผลประโยชน์แก่พวกเขาได้เลยในเมื่อเราเอาพวกเขาได้เห็นบสนาการลงโทษของเราระบบนี้วางไว้นานยังสุนนาะตอรอระบบของอัลลอฮ์นี้ถูกวางไว้อัลลอฮติก็ข้อล มีมาแต่อดีตแล้วตั้งแต่สมัยนบีอาดัมแล้วไม่ใช่เป็นกฎหมายออกใหม่สมัยนบีัดไม่ใช่ตั้งแต่สมัยก่อกอคอนัสผ่านมาแล้วฟีไฮบาดีแก่เบาวของพระ อ, องค์ทุกคนมีมานานแล้วกฎหมายไม่ใช่ฉบับใหม่เป็นฉบับเก่าแต่เราไม่จะใส่ใจ ไม่สายใจขใคคาดทุนเพราะฉลนอขาดทุนตัวเองขาดทุนเองนึกว่าอาลอ a h สร้างมรดุมาฟรีๆอย่างนั้นหรอไม่ใช่มีเป้าหมายสาหรับชีวิตข้อสิรอขาดทุนฮูนาริก้อัลกาฟริรุนผู้ปฏิเสธก็ขาดทุนณนที่นั่นแต่อยู่ที่ไหนก็ตามม้วนคนกาเฟตขาดทุนหมด เพราะเข้าใจผิดว่าอีมานช่วยอะไรไม่ได้เข้าใจผิดว่าอีมานต่ออัลลอฮ์องเดียวอีมานต่อลบีม ม, มัดช่วยอะไรได้อย่าลืมช่วยได้อีมานจะช่วยไม่ได้ตอนไหนตอนคุณจะอีมานต่ออัลลอ์ตอนวิญญาณมาถึงขอยะดิษณบีอิบมาถึกโดยอีมานตินมีดีอิบนุม aja อิบนุบบันอัลบัฮัตี อินนัลลอฮฺท่านะยักบาลุตอบาตอลอับดิมะฮามยูฮาร์กิร์อัลลอฮฺรับการตาบาควองบาวของอัลลอฮทุกคนตามใดที่วิญญาณยังไม่ถึงคอหอยพอถึงก็หอยรับไหมแบบฟิโรนไม่รับนี่เตือนพวกเราฉะนั้นเรียนอิสลามเถอะหันมาเรียนสุนัเรียนกุรานเรียนหะดิษขอ น, นบีอย่างมีมุ น, นนะครับ มัตเรลักับ سبحان ุตัลลัลฮุมวะบิฮัมดิกะซุลเลาะห์ إ ل ل ه إ ل ّ أ س ت غ ف ر ُ و ع َ ب ُ إ ذ